สิ่งที่คนทั่วๆไปเขาสนใจมันธรรมะอีกระดับหนึ่งอย่างพวกเรามาเรียนที่นี่เรามุ่งธรรมะเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นกันถึงบางคนยังไม่บริสุทธิ์แต่ ว, ว่าก็ยังอยากรู้วิธีนะจะได้เอาไปปฏิบัติวันหนึ่งมันก็จะพ้นทุกข์ไปในโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ ก็โพธิสัตว์ท่านจะเห็นว่าโลกนี้มันมีความทุกข์มากสัตว์โลกทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายนะน่าสงสารทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บความตายทุกข์เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่รักทุกข์เพราะประสบสิ่งที่ไม่รักทุกข์เพราะความไม่สมหวังต่างๆแล้วท่านก็ไม่เห็นว่ามันมีทางรอดทุกคนก็ตกอยู่ในวังวนอันนี้หมดเลยรวมทั้งตัวท่านเองด้วย ท่านก็พิจารณาว่าว่ามันมีทุกมีเหตุของทุก์ได้มันก็ต้องมีความดับทุกได้มีเหตุมีข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกได้ท่า น, นก็เที่ยวแสวงหาสิ่งเหล่านี้มาใช้เวลานานตั้งแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตั้งแต่เริ่มสร้างบารมีใช้เวลา20สอาสงไขยแสนมหากรัป่ะสร้างมาหอาสงไขย มหากรับนะงไข่กรับถึงได้พบได้รับพยากรจากพระทีปังกรใช้เวลาอีกเสียสงไขยแสนมหากรับบรรลุเป็นพุทธเจ้าคำว่ามหากรับก็คือช่วงเวลาตั้งแต่จักรวาลเกิดจนจักรวาลแตกทีหนึ่ง เอาว่าสงไข่ก็คือสิยกกำลัง158ถึง150เคย อ, อ่านเจอเทียงกันอยู่นั่นแหละไม่รู้เท่าไหร่แนะ่รวมแล้วเยอะสร้างบารมีนานแต่ถ้าเทียบไปแล้วพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยใช้เวลาสร้างบารมีน้อยกว่าพุทธเจ้าจำนวนมากอย่างพระรีระยมเมตรยัยใช้เวลามากมายเหลือเกิน พอจะได้รับพยากรหลวงพ่อจําไม่ได้ว่าเท่าไหร่ทําไมพระเจ้าแต่ละองค์ก็เร็วไม่เท่ากันแล้ท่านเดินไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าที่เป็นวิริยาธิกะใช้ความทนเอาภาคเพียรเอาอย่างพระเมธไตรใช้เวลานานเฉพาะที่ได้รับพยากรณ์แล้วต้อง16บระสงค์กรขแสนมหากรใช้เวลานานว่าทนเอา เหมือนพวกเราบางคนต้องทนเดินโจงกรมหามลุงมหามคําอะไรเงี้ยลําบากท่นอดทนสูงพระเจ้าบา ง, บางประพุทธบางจำพวกบางองค์บางพระองค์ท่านเป็นสมาธิกะเดินด้วยสมาธิใช้เวลาน้อยกว่าพวกที่เพียรเอาพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นปัญญาธิกะเดินด้วยปัญญาเพราะปัญญาเนี่ย เป็นกุศลที่สูงที่สุดเลยบุญใดประกอบด้วยสติปัญญานะโดยเฉพาะประกอบด้วยปัญญานะี่เป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดเพราะงั้นเต็มเร็วอย่างพวกเราบางคนนะที่นั่งสมาธิไปพิจารณ า, าธาตุขันนะอย่างเงี้ยไปไดไ้ใช้เวลานา น, านหน่อยแต่ถ้าเดินด้วยปัญญาก็ใช้เวลาสั้นๆใช้เวลาไม่นาน พระพุทธเจ้าของเราเป็นปัญญาทิกะนะคำสอนของท่า น, นสมบูรณ์คงไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดสอนได้ดีกว่านี้เท่านี้มนะีแต่ดีกว่านี้คงไม่มีนพระนั้นก็บุญของพวกเราแล้วล่ะได้เรียนจากพระพุทธเจ้าพระองค์นี้และพวกเรามีปัญญามากพอนะแล้วก็ตามท่านไปได้ในเวลาอันสั้นแต่บางคนก็ตามไม่ได้ เห็นมีความเพียรแล้วอดทนเอาพยายามภาวนาเอาทนทนเอาขอท่านจะตัดสู้ได้นะยากลาบากทั้งมาในประชาสุดท้ายนี้เป็นเจ้าชายสิทธัตถะบารมีท่านเต็มมาแล้วรอการตัดสู้ท่านเองรอจังหวะว่าควรจะตัดสู้เมื่อไรบารมีท่านเต็มมาตั้งแต่ตอนเป็น พระเวสสันดนรมีเต็มทำไมเป็นบารมีมาเต็มเอาเป็นพระเวสสันดรแปลกไหมทําทานแทนที่จะว่าเจริญปัญญาเป็นพระมโหสถอะไรเงี้ยบารมีเต็มนี่มันกลับมาเต็มมาตรงที่ทําทานบารมีเนี่ยมันสูงสุดมันอยู่ตรงที่ว่ากล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะ พระเวสสันดรเนี่ยตั้งใจเลยว่าถ้าใครจะมาขอชีวิตท่านนะขอร่างกายเลือดเนื้อขอหัวใจอะไรนะจะให้เลยเนี่ยใจกล้าขนาดนั้นขอเมียก็ให้ขอลูกก็ให้คนรุ่นนี้ใจห ย, ยับเพราะว่าท่านไม่รับผิดชอบอย่างพวกเราบางคนมีลูกแล้วยกให้คนอื่นได้นะเราสบายใจให้คนอื่นเขาไปเลี้ยงแทนอย่างนั้นไม่ได้เป็นบารมีนะอย่างนั้นเป็นความเหลวไหล นี่ลูกของท่านท่านก็รักท่านก็เลี้ยงท่านสละได้อพาใจท่านใหญ่จริงท่านจิว่าท่านต้องฝึกตัวเองฝึกจิตฝึกใจไม่ให้เห็นแก่ตัวลดละกิเลสอะไรที่เป็นที่รักนะท่านสละไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคนอื่นท่านทําอย่างนั้นลูกเมียท่านก็สร้างบารมีร่วมกับท่านนะไม่ใช่ว่าฟืนใจมากเลยหรอก อย่างพระมัทสีพระเวสสันดรยกลูกให้ชูชกไปทีแ้กก็เสียใจร้องห่มร้องไห้เนื่อลูกหายเที่ยวตามสุดท้ายพระเวสสันดรบอกให้เข้าไปละท่านอนุโมทนาบารมีท่านขนาดนั้นท่านสร้างของท่านมาด้วยกันกันหาชาลีมาเป็นพระอุบลถวันนาองค์เป็นพระอระหันต ระดับอัครสาวิกาลูกชายเป็นพระราหุลเป็นเอตะัะคะเหมือนกันท่านสร้างของท่านด้วยกันนะท่านไปด้วยกันสิ้นชาติสิ้นภพบจบพรหมาจรรย์ไปพร้อมๆกันในรุ่นเดียวกันพวกเราบารมีไม่เท่าท่านก็ตามท่านไปกิเลสอะไรยังไม่ละก็ละซะกุศลอะไรยังไม่เจริญก็เจริญซะ ไม่งโง่ถึงขนาดไม่รู้หรอกนะว่ามีกิเลสอะไรเราดูจิต ด, ดูใจของเราไปก็รู้คนไหนขี้มโมโหก็แก้ไขแก้ไขยังไงแก้ด้วยสมถะก็เจริญเมตตาแก้ด้วยปัญญาก็เห็นไม่มีใครที่มโมโหเป็นแค่ความรู้สึกเนี่ยคนขี้โลภ ก, ก, ก็เหมือนกันคนขี้โกรธก็เหมือนกันไม่มีคนโกรธไม่มีคนโลภไม่มีคนหลง มีแต่ความรู้สึกมีปัญญาความรู้สึกนั้นหลายกระจิตนั้แยกออกจากกันไม่กระทบกระทั่งกันเมื่อมันแยกออกจากจิตมันอยู่ลอยๆไม่ได้หรอกพวกนี้ก็ต้องอาศัยจิตอยู่ก็หลุดหายไปกว่าท่านจะตั้สรูนะกระทั่งชาติสุดท้ายที่บารมีเต็มแนละ้วก็ยังลํำบากตอนเจ็ดขวบนะสมาธิเก่าของท่านกลับมา ไม่เคยเรีนเ pues. เยสสนสมาธิกับใครท่านนั่งของท่านเองหายใจธรรมานาปนสติคูบพลังคือนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดับลงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้หายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้หายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นรู้หายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นรู้หายใจเข้าสั้นลมหายใจระงับก็รู้ลมหายใจระงับกลายเป็นแสงจิตของท่านก็รู้ แสงนั้นสุดท้ายก็เข้าปฐมฌ า, านเกิดตีติเกิดสุขเกิดความเป็นหนึ่งขึ้นมามีมิตกวิจรา์มิตกคือจิตเนี่ยตรึกอยู่ในดวงแสงปฏิภาคนิมิตแสงสว่างวิจารณ์คือจิตนั้งเข้าเคลียร์ อ, อยู่กับแสงโดยไม่ได้เจตนาจิตไม่หนีไปไม่ได้จงใจบังคับเอาไว้อย่างพวกเราเนี่ยเวลารู้ลมหายใจสังเกตไหมหายใจแผลใจมาใจหนีไปที่อื่น มันไม่เคลา้าเคลียกับลมหายใจไม่มีวิตกวิจารอยู่ที่ลมหายใจหนีไปวิตกวิจารที่อื่นนะงั้นเลยไม่ได้อยู่ในอารมณ์มันเดียวเข้าชานไม่ได้สักทีเป็นไหมนั่งหายใจแล้วใจหนีไปที่อื่นนะเป็นเราก็ไม่ได้ชานหรอกนะช่าชายเศรธฐารำแล้วได้ชานชานที่หนึ่งชานที่หนึ่งของท่านอันนี้ไม่เหมือนชานที่หนึ่งของฤาษีชีไพร ฌานที่หนึ่งของฤๅษีเนี่ยนะเป็นฌานที่จิตมันเคลื่อนไปเช่นถ้าฤอษีรู้ลมหายใจนะจิตจะไปอยู่ที่ลมหายใจถ้าไปรู้แสงสว่างจิตก็ไปอยู่กับแสงสว่างถ้าไปรู้ความว่างช่องว่างจิตไหลไปอยู่ที่ช่องว่างไปรู้ความไม่มีอะไรเลยนะจิตก็เพิ่งว่างเคลื่อนหาที่จับไม่ได้จิตมันเคลื่อนทั้งหมดเลยแต่เคลื่อนไปอยู่ในอารมณ์มันเดียว ในฌานที่เจ้าชายสิทธาัตาได้ตอนเด็กๆเกนะี่ยแค่ปฐมฌานนะแต่มันเป็นฌานที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตฌานนี้มีสองชนิดนะหนึ่งจิตไปตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์อันที่สองจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตจิตไปตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์เรียอารมณูปนิฌานเป็นของสาธารณะใครๆก็มีจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิ ต, จ ต, ตนเนีน่ย ต, ต้งองนะพวงบา ร, รมีแก่กล้ามากๆ ที่จะเดินปัญญาได้นะสะสมมาจิตถึงจะอยู่กับจิตได้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเสร็จแล้วท่านก็ลืมท่านก็ลืมสมาธิตัวนี้ไปอีกอันนี้เป็นธรรมดาหลวงพ่อก็เคยเจอนักปฏิบัติหลายคนตอนเด็กๆนกรรมาฐานเดิมมันกลับมาโดยไม่ได้เจตนาแต่ส่วนใหญ่จะกลับมาตอนที่ จิตได้รับอารมณ์ตกใจอารมณ์ตกใจเป็นอารมณ์รุนแรงนี่พอตกใจขึ้นมานะจิตที่เคยฝึกมาดีแล้วนะมันจะดีตตัวพางออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเลยมันเหมือนที่พวกเราฝึกกันแล้วเวลาลดความลดง่ายนะจิตมถอดออกมาเป็นตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตมันเคยได้รับการฝึกอบรมสมาธิที่ดีมาแล้ว แต่ตอนเด็กๆถึงสิ่งนี้กลับมานะก็ลืมลืมไปโดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นจะลืมเป็นปกติเลยย่ามานึกได้อีกทีตอนโตขึ้นมาลนะเจ้าชายสิทธัถาก็ครองเพศขรวาดอยู่มีลูกมีเมียเห็นวันหนึ่งเห็นโทษเห็นภัยของวัตตะเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตาย ถ้าภูมิปัญญาอย่างพวกเรานะเป็นคนดีเราเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเราจะคิดถึงงานสังคมสงเคราะห์โอ้มีคนแก่ไปสร้างโรงเลี้ยงคนแก่ดีกว่ามีคนเจ็บเราไปสร้างโรงพยาบาลมีคนตายเราก็ทําปอติคตึงไปเก็บศพนะี้ช่วยเผาคิดได้แค่นี้ถ้าชาติสุทธ า, ทาน่าลึกซึ้งไปกว่านั้นนีกทำยังไงจะไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตาย เลยไปอีกชั้นหนึ่งนะนั่นแสวงหาสิ่งที่เหนือว่าการสังคมโซคร้อมากเลยท่านเห็นในนั้ น, ท, นออท่านออกบวชการออกบวชท่านก็ไม่ได้หนีออกมาหรอกนจะหนีออกมาได้ไงอยู่ในวงังขี่ม้าตูมตามออกมาได้ไงท่านบอกว่าท่านออกมาบวชเนี่ยพ่อแม่ท่านน้าตาหนองหน้าเลยท่านกล้าออกมาบวชสละความสุขออกมา ท่านนางพิมพานะท่านก็ใจเด็ดนะท่านคอยสืบเขาว่าตอนนี้เจ้าชายสิทธัตถะทาอะไรท่านทําบ้างท่านถือท่านเป็นคู่บารมีกันเจ้าชายสิทธัตถะนั่งสมาธิท่านก็นั่งบ้างเจ้าชายสิทธัตถะอดข้าวท่านก็อดบ้างเจ้าชายสิทธัตถะนันุ่งผ้ากาสาวท่านก็นุ่งบ้างนอนกับพื้นท่านก็นอนบ้างท่านตามตลอดนะตัวอยู่ในวังนะ แต่เรียนแบบข้อวัดการตามเสด็จอย่างเดียวเลยใน่ใจเป็นขนาด น, นั้นนะไม่ใช่ว่าท่านไม่รับผิดชอบซึ่งกันและกันในะช่ใช่สิทธ า, ทานนะสิ่งแรกที่ออกจางวังมาแล้วท่านไปทำก็คือไปหาฤาษีไปหนั่งสมาธิมันก็เหมือนพวกเราคิดถึงการปฏิบัตนะิสิ่งแรกที่คิดก็คือนั่งสมาธิอันนี้เป็นธรรมชาติเลยคิดเหมือนกันนะ เ้าชายสิทาถาท่านก็คิดอย่างนี้แหละพวกเราก็เหมือนกันคิดถึงการปฏิบัติธรรมก็คือต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมนะยิ่งนั่งหลับหูหลับตาได้นานๆยิ่งดีนั่งแล้วลืมโลกไปเลยยิ่งดีเลือดีก็ว่าอย่างนั้นนั่งจนลืมโลกไปเลยร่างกายก็าหายไปอะไรหายไปหมดแทบจะไม่รู้สึกตัวเลยดีพวกนถึงฌานที่แปดได้ฌานที่แปดแต่เป็นฌานที่แปดที่จิตไปจับอยู่ที่อารมณ์ เนอารามโนปนิชานชันที่แปดเรียนจบหลักสูตร<ม>เข้าชานได้ตามใจชอบเลย<ม>ในเวลาสั้นเพราะบารมีท่านมากพวกเราทำไม่ได้เะข้าพระโมอานารงดูหน้าตาเข้ายากฟุงสัน้นท่านฝึกไม่กี่วันท่านได้ชาน8ดท่านก็ถามอาจารย์ว่ามีกรรมฐานอะไรที่ดีกว่า น, นี้อีกไหมอาจารย์บอกจบหลักสูตรแล้วละ่ะ ท่านก็รู้ว่ามันไม่ใช่ระหว่างเข้าฌานไม่มีความทุกข์เพราะมันไม่รู้สึกตัวมันเหมือนกินยาสลบเพาไปวพอมันรู้สึกตัวขึ้นมามันก็ทุกข์อีกท่านรู้ว่านี่ไม่ใช่ทางท่านก็ออกจากอาจารย์ลาจากอาจารย์ไปหาทางต่อไปทางที่คนยุคนั้นสนใจคือรทรมานตัวเองในเวลาหกปี เจ้าชายจะสืบฐานใช้เวลาทรมานตัวเองเนี่ย น, นานใช้เวลาฝึกเข้าชาญเนี่ยไม่นานสุดท้ายท่านท่านก็รู้ว่าทรมานตัวเองมันไม่ใช่ทางท่านนึกถึงสมาธิที่ท่านได้ตอนเด็กๆสมาธิที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านก็คิดว่าตรงนี้เป็นทางสายกลาง จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะไม่ใช่จิตหลงโลกเคลืลินไปในรูปเสียงกลิ่นรสปพนะจิตหลงโลกมันจิตที่เรียกว่ากามสุขริการุโยกหลงกรรมหลงในกรรมคุณอารมณคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายทนี่ท่านชนานาญมาแล้วเป็นเจ้าชายได้กรรมคุณอารมณมาเต็มที่รู้ว่าไม่ใช่ทาง แล้วก็ท่านรู้ว่าการบังคับจิตบังคับใจนะเข้าไปแทรกแทรงจิตก็คือการทําจิตให้ลําบากฝึกเข้าชานเนื้อเลกว่าสบายที่จริงก็คือการสร้างภพสร้างชาติอันหนึ่งนะถ้าสติปัญญามากพอจะรู้เลยชานทั้งหลายเนี่ยตัวทุกข์เลยชานนั่นแหะตัวทุกข์เนี่ยหลวงปู่ดุลสอนหลวงพ่อไว้อย่างเงี้ยเวลาพระเจ้าจะนิพพานนะท่านยังเข้าชานทวนเข้าออกก็้าออก บอกสำรวจกองทุกที่เคยผ่านมาแล้วไม่ใช่ของพิเศษอะไรงั้นเข้าฌานแบบน้อมจิตไปอย่าโ น, น่นแต่งจิตไปอย่างนี้เป็นอัตตกคิลมัฏฐานทุโยคอีกแบบหนึง่งนําไปสู่พรหมโลกได้แต่ไม่ไปนิพพานส่งทรมานร่างกายก็เป็นอัตตกคิลมัฏฐานทุโยคอีกแบบหนึง่งทรมานกายทํากายให้ลําบากงั้นถ้าเราแทรกแซงกายแทรกแซงใจนะเป็นอัตตาคิมัฏฐานทุโยค เวลาหลวงพ่อบอกให้พวกเรานั่งสมาธิสังเกตไหมพ่อบอกให้นั่งสมาธิแทรกแสงใจทันทีเลยนี่อัตตกิลมถานโยโยคเรียบร้อยแล้วะมันทุกน ะ, ะสารพัดจะทุกเลยจิตนี่เคลื่อนเข้าไปจับอารมณ์ทีเดียวทุกแล้วจะอารมณ์นั้นจะวิเศษวิโสระดับเนวสัญญานะก็ทุกนะ นันจิตที่เดินสู่ทางสายกลางนะไม่เพลินไปในรูปเสียงกลินล่นรสปัถะพะไปลาวเพลินไปในรูปเสียงกลินล่นรสปุถะพะหรือเพลินไปในการคิดเรื่องรูปเสียงกลินล่นรสปุถะพะมีกายลืมกายมีใจลืมใจนั่นย่อหย่อนไปเปนการบังคับกายบังคับใจตึงไปร้อยะร้อยของนักปฏิบัติคือนักรำอัตตะกิมถานโยกพูดอย่างนี้เลยนะ แบบไม่กลัวใครเลยร้อยละร้อยทุกคนเลยจนกระทั่งวันหนึ่งฉลาดนะั้นได้ยินคําสอนของพระเจ้าถึงค่อยเดินถูกเริ่มต้นมันผิดหมดทุกคนมันบังคับทุกคนอ่ะหลวงพ่อก็เป็นครูบาอาจารย์เป็นทุกคนแล้วท่านก็บอกเนีเริ่มต้นก็าท่านก็บังคับทางนั้นแหละบางองค์ท่านก็ฉลาดท่านก็สอนบอกว่าตึงไว้ก่อนดีกว่าย่อนก็ถูกของท่าน ถ้าตึงไปนะไปสุขติให้หย่อนไปทุคติไปสุขติทุกคติเนี่ยพุทธเจ้าบอกพุทธเจบอกว่าถ้าพักอยู่เราจะจมลงถ้าเพียรอยู่เราจะลอยขึ้นพักอยู่เนี่ยคือการสุคาริการโยคเพลินกับโลกเพียรอยู่ก็คืออัตตาเคลมะฐานโยกคอยควบคุมกายควบคุมใจนี่สิ่งที่พวกเราต้องฝึกให้ได้นะให้จิตที่อยู่ในทางสายกลางจริงๆไม่ตึงไม่หย่อน ตัวนี้แหละตัวสําคัญเลยถ้าเราไม่สามารถพัฒนาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบาลที่แท้จริงขึ้นมาได้ยังเจริญปัญญาไม่ได้จริงเงั้นบางคนนะใช้การคิดอคิดพิจรารณาร่างกายไม่ทําสมาธิเลยนะนั่นจิตฟุ้งซ่านคิดไปแล้วอิ่มอกอิ่มใจปลื้มมีความสุขได้นะบางทีคิดไปคิดไปสงบได้แต่นั่นคือสมถะแต่นึ่งว่าเป็นมิปัสนะงั้นมีบางที่สอนนะ พิจารณากายนี่แหละแต่ไม่ทําสมาธิพวกนี้กลายเป็นสมสถะทั้งหมดเลยหรบางพวกไม่ฝึกจิตฝึกใจเลยกําหนดลูกเดียวเลยคิดว่าทํำมิปัสสนาดูท้องดูเท้าดูมือเห็นอะไรเห็นมือเห็นเท้าเห็นท้องเห็นลมหายใจนี่นคือการเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวคืออรัมณูปนิชฌานคือสมสถะนั่นจุดแตดหัก ที่พวกเราจะรอดอากตัวรอดได้หรือเปล่าคือการฝึกจิตขึ้นมาให้อยู่ในทางสายกลางเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเช่นชัศิริธาตุท่คิดถึงสมาธิธรรมชาติตอนเด็กๆของท่านได้ท่านก็ทำแต่คราวนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ปฐมชาติท่านทำเลยเข้าไปถึงชาญที่สคือเข้าไปถึงอุเบกขาจิตไม่ไปจับอยู่ที่แสงแล้วจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิต ตัวสมาธิชนิดนี้นะมันจะดีมันจะถึงจิตจริงๆอในฌานที่สองขึ้นไปเพราะอะไรเพราะละวิตตวิจาร์ไม่ตรึกไม่ตรองในดวงปฏิภาคมันไป จ, จ้องกระแสแล้วทิ้งเลยมทวนเข้ามาที่จิตงั้นในฌานที่สองนะท่านจะพูดถึงคําว่าเอกโอทิภาวะคือภาวะแห่งความเป็นหนึ่งคือภาวะที่จิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน น, นั่นเองนี่ใจเฉยชาเดินเลยขึ้นไปจนถึง ชานที่สี่ชา้นที่สี่กับชา้นที่สองมันก็เหมือนกันแหละแต่ต่างกันที่ว่ามันเพิกปิติสุขไปได้จิตเป็นอุเบกขาเป็นหนึ่งทรงตัวอยู่เป็นหนึ่งเป็นอุเบกขานี่ท่านก็ไม่หยุดอยู่ตรงนี้เฉยๆตรงที่จิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยท่านโน้มน้อมจิตไปเพื่ อ, อยันทัศนะ น้มน้มจิตไปเพื่ อ, อยานทัศนะคือไปดูรูปนามแต่ว่าบารมีของท่านแก่กล้ากว่าพวกเรามากพวกเราไปดูอย่างท่านดูไม่เห็นพวกเราก็จเจริญกายานุปัสสนาจเจริญจิตตานุปัสสนาไปเจริญเมตนานุปัสสนานี่ทํายากธรรมานุปัสสนาทํายากไระเจ้าเข้าทํามานุปัสสนาเลยแล้วไปธรรมานุปัสสนาบัพพาสุดท้ายเลยคืออริยสัจ ธรรมานุภัสนามันต่างกับกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาจะต่างกันในกายานุปัสสนานี่ดูรูปเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาดูนามธรรมานุภัสนามีทั้งรูปและ น, นามแต่ไม่ใช่ดูตัวรูปตัวนามดูเห็นกระบวนการทํางานของรูปของนามด้วยเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นลงมาว่าเพราะอะไรมีอยู่ทุกจึงมีอยู่ ไม่ใช่การคิดแต่เป็นใช้จิตที่ทรงตัวเต็นดวงไปดูเอาไปเห็นเอาว่าอะไรว่ามีอยู่ความทุกข์ถึงมีอยู่ชาติคือความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอยู่ทุกข์ถึงมีอยู่งั้นทําเมไรที่จิตเราเข้าไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจมานะก็เรียกว่าเป็นชาติกระทั่งที่พวกเราภาวนา บางทีจิตวางจิตลงไปนะแล้วก็ยัไปหยิบขึ้นมาอีกนั่นก็ชาตินะเกิดแล้วตรงที่จิตไปหยิบจิตขึ้นมาก็เกิดเรียบร้อยแนละ้วการได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าชาติไปหยิบเอาจิตขึ้นมาก็คือชาติเกิดขึ้นเหมือนกันทันทีที่หยิบขึ้นมาทุกก็เกิดทันทีเลยนะเพราะอะไรจิตนี่คือตัวทุกข์ขันนั่นแหละตัวทุกข์งั้นไปหยิบเอาขันขึ้นมาก็คือหยิบเอาทุกข์ขึ้นมาลนะ วางขันลงไปไม่ยึดขันเลยขันก็เป็นทุกข์ของขันแต่ไม่ไปหยิบมานะไม่ใช่ว่าวางขันแล้วขันไม่ทุกข์นะขันเป็นทุกข์ของขันแต่เราไม่ไปหยิบเอามานะไปหยิบมาเป็นด้วยอำนาจของตัณหาตัณหาเกิดด้วยอำนาจของอวิชาเนะี่ยท่านค่อยๆดูไปนะว่าทำไมจิตถึงไปหยิบเอามานะเพราะจิตมีการดิ้นรนปรุงแต่ง คือเรียว่าเพราะสังขารคือความปรุงแต่งมีอยู่นะเพราะพบสังขารตรงนี้เรียกว่าพบจิตมีพบคือจิตดิ้นรนทํางานจิตดิ้นรนทํางานจะดิ้นรนดีแค่ไหนนะก็จะไปหยิบเวยตาหูจมูกลิ้นกายใจมาอย่างกระทั่งเข้าอรูปฌานเข้ารูปฌ า, า, า, านไปหยิบอะไรมาไปหยิบเอาใจมาไปหยิบจิตมาดวงเดียวรูปไม่เอาทิ้งรูปไปเลย เงันถึงบอกว่าฌานสมาบัติทั้งหลายนะถูกทั้งนั้นเลยนะเนี่ยท่านปัญญาท่านแกีกล้านะท่านรู้อริยสัจอริอยสัจไม่ใช่ธรรมะที่เอาไว้พูดเล่นๆหรอกพูดจ้อยๆจอยๆไม่รู้อริยสัจหรอกนะไม่ใช่รู้จริงหรอกต้องเห็นไอ้นั้นรู้ด้วยการคิดเอาด้วยการจําเอาดูด้วยการคิดนี่อันตรายมากเลยรู้ด้วยการจําก็ต้องดูว่าจําถูกหรือจําผิดถ้าจําถูกก็ยังดีนะ อย่างเรียนทางปริยัติเรียนอภิธรรมเรียนอะไรเนี่ยจําไว้เก่งจําถูกนะถ้าจําผิดก็เพีย น, เ พ, ยนเพียนไปเลยสิ่งสําคัญคือเห็นไม่ใช่การจําไม่ใช่การคิดเห็นสภาวะนะี่เจ้าชาสิทธัตถะท่านเห็นไล่ไล่ลล่ลลถ่วนลงมาว่าอะไรมีอยู่สิ่งนี้จึงมีอยู่เพราะสิ่งใดมีอยู่สิ่งนี้จึงมีอยู่นะท่านพะว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ทั้งรูปธรรมนามธรรมทั้งหลาย สัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่สัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่ไล่ไลไ ล, ลงมาจนถึงอวิชชาพราะอ ว, วิชชามีอยู่สังขารคือความปรุงแต่งยี่มีอยู่ความปรุงแต่งก็คือพบนั่นแหละแต่ว่าตรงที่อวิชชาทํางานมันปรุงขึ้นมาก็เรียกว่าสังขารปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงความว่างบ้างดังนั้นความว่างเนี่ยที่ทําๆกันนะเป็นผลงานของอวิชชานะ เป็นความปรุงแต่งขึ้นมาว่างๆเนี่ยปรุงด้วยอวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้แจ้งอริยสัจพระพุทธเจ้าบางพระองค์นะสร้งสาวต่อไปอีกสเต็ปหนึ่งว่าอะไรมีอยู่อวิชชาจึงมีอยู่เพราะว่าเพราะอาสวะกิเลสมีอยู่อวิชชาจึงมีอยู่แล้วทําไมมีอาสวะกิเลสอะไรมีอยู่ อาสวะกิเลสที่มีอยู่เพราะว่าอาวิชามีอยู่อาสวะกิเลสที่มีอยู่เนพระองค์ท่านทว น, นลงไปตรงนี้ mm hmm. พระเจ้าเราปัญญาแก่กล้านะพระทวนลงถึงองวิชาขาดสะบั้นเลยนะขาดเร็วแต่ขาดแล้วไม่ใช่ว่าไม่รู้ธรรมะที่เหลือนะในบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมีปัญญายิ่งกว่านี้แล้วแต่มีปัญญาเสมอท่านเนี่ยมีนะ งั้นเราภาหนานะเล่าเรียนไปฟังคำสอนของท่านให้ดีต้องระวังนะทุกวันนี้น่ากลัวมากเลยบางทีก็ไปตีความพระไตรปิฎกตามใจกิเลสนะหรือไปคิดแต่งภาษาบาลีขึ้นเองไปแปลภาษาบาลีเองนะอันตรายมากเลยแล้วก็เที่ยวเผยแพร่ออไปนนะมันจะเผยแพร่สัตธรรมปฏิรูปทำลายพระสัตธรรมตัวจริงออกไป อย่าภาษาบาลีจะรู้จริงก็ต้องเรียนไม่ใช่ไม่เรียนเหมือนภาษาอังกฤษมันก็ต้องเรียนเหมือนกันเนี่ยถ้าไม่งั้นจะมั่วแยกศัพท์ก็ผิดแล้วอย่างซีซันแปลว่าอะไรซีซันฤดูใช่ไหมเอาทำไมไม่แปลว่าลูกทะเลเ <laughs> <laughs> นี่ยโอันแล้วแตกฉานภาษาซีซันลูกทะเลเ น, <laughs> นี่ยแบบเดียวกันเลยนะภาษาบาลีอะ อวดรู้อวดดีไม่ได้เรียนบาลีนะก็ไปแปลบาลีขึ้นมาเพียนน่ะสิก็เพียนแล้วไปสอนต่อเปแพร่สะทามปฏิรูปออกไปหลงวงพ่อชายห่วงนักห่วงหนาอะไรเรื่องพวกนี้้นะตเตือนนักตเตือนหนานเลยว่าห้ามมั่วมั่วแล้วมันทำลายพระศาสนานะประเภทลูกทะเลทั้งหลายนี่แหละ เตียนน้าแล้วก็ไปภาวนาไปไปกินข้าวคนกองทัพก็เดินด้วยท้องเรากองทัพทำก็ต้องใช้ท้องเหมือนกัน น, ะนี่หมดนะครับ